3. อาณาปานสติกถาว่าด้วยสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งคณะนาวาระวาระว่าด้วยการนับเมื่อพระโยคาวจรเจริญสมาธิที่ประกอบด้วยอาณาปานสติอันมีวัตถุส6หญาณเกินกว่าสอง้อยย่อมเกิดขึ้นเคยญาณในธรรมที่เป็นอันตรายแปดญาณในธรรมที่เป็นอุปการะแปด ญาณในอุปกิเลส18ยญาณในโวทาน13บามญาณในการทำสติส2สองญาณด้วยอำนาจสมาธิ24ยญาณด้วยอำนาจวิปัสสนาเจนิพิทายาน8นิพิทานุโลมยาณ8นิพิทาปฏิปสัติยาน8ยญาณในวิมุติสุข21ญาณในธรรมที่เป็นอันตราย8 และยาในธรรมที่เป็นอุปการะแปดเป็นอย่างไรคือกลามะชันทะเป็นอันตรายต่อสมาธิเนี่ยขมมะเป็นอ no. ุปการะแก่สมาธิพยาบาทเป็นอันตรายต่อสมาธิอภยาบาทเป็นอุปการะแก่สมาธิถีนมิทะเป็นอันตรายต่อสมาธิอโลกสัญญาเป็นอุปการะแก่สมาธิอุทัจจะเป็นอันตรายต่อสมาธิ อาวิเศปะเป็น hmm. อ uh, the <action> ุปการะแก่สมาธิวิจิกิจฉาเป็นอันตรายต่อสมาธิธรรมววัฏฐานเป็นอุปการะแก่สมาธิอาวิชาเป็นอันตรายต่อสมาธิญาณเป็นอุปการะแก่สมาธิอรติเป็นอันตรายต่อสมาธิปามุชะเป็นอุปการะแก่สมาธิอกุศลธรรมทั้งปวงเป็นอันตรายต่อสมาธิ กุศลธรรมทั้งปวงเป็นอุปการะแก่สมาธิยานในธรรมที่เป็นอันตรายแปดและยานในธรรมที่เป็นอุปการะแปดเหล่านี้คณะนาวาระที่หนึ่งจบ 2. โซละสญาณานิเทศแสดงยานส6จิตที่ฟุ้งซ่านและจิตที่สงบย่อมดำรงอยู่ในธรรมที่มีสภาวะเดียว และย่อมหมดจดจากนิวรณ์ด้วยอาการส6กอย่างนี้ธรรมที่มีสภาวะเดียวเหล่านั้นอะไรบ้างคือหนึ่งเนคขัมมะการหลีกออกจากการมเป็นสภาวะเดียว 2. องพยาบาทความไม่คิดครเป็นสภาวะเดียวสอะโลกสัญญาความหมายรู้แสงสว่างเป็นสภาวะเดียว 4. อวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่านเป็นสภาวะเดียว หธรรมะวะวัฐานการกําหนดธรรมเป็นสภาวะเดียว 6. กญาณความรู้เป็นสภาวะเดียว 7. ปาโมชะความปราโมดเป็นสภาวะเดียว 8. กุศลธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะเดียวบทว่านิวรณ์อธิบายว่านิวรณ์เหล่านั้นอะไรบ้างคือหนึ่งกามฉันทะความพอใจในกามเป็นนิวรณ์ สพยาบาทความคิดร้ายเป็นนิวรณ์สถีนมิทมะความหดหูและเสื่องซึมเป็นนิวรณ์สอุเทจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจเป็นนิวรณ์หวิจิกิจชาความลังเลสงสัยเป็นนิวรณ์หอวิชาความไม่รู้แจ้งเป็นนิวรณ์เอารติความไม่ยินดีเป็นนิวรณ์ แอกุโซธรรมทั้งปวงเป็นนิวอนบทว่านิวอนอธิบายว่าชื่อว่านิวอนเพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือชื่อว่านิวอนเพราะมีความหมายว่าเป็นเครื่องกั้นทำเครื่องนําออกทำเครื่องนําออกเหล่านั้นเป็นอย่างไรคือเนคขมมะเป็นทำเครื่องนําออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออกด้วยเนคขมมะนั้นกามฉันทะ เป็นเครื่องกั้นทาเครื่องนำออกและบุคคลย่อมไม่รู้จักเนืคำมะที่เป็นทาเครื่องนำออกของพระอริยะเพราะเป็นผู้ถูกการมาชันทะนั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นการมาชันทะจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นทาเครื่องนำออกอาพยาบาทเป็นทาเครื่องนำออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออกด้วยอพยาบาทนั้นพยาบาทเป็นเครื่องกั้นทำเครื่องนาออก และบุคคลย่อมไม่รู้จักอภัยบาตที่เป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะเพราะเป็นผู้ถูกพยาบาทนั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นพยาบาทจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนำออกอโลกสัญญาเป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอระิยะและพระอริยะย่อมออกด้วยอโลกสัญญานั้นถีนมิทะเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนำออก และบุคคลย่อมไม่รู้จักอาโลกสัญญาที่เป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะ <mark> เพราะเป็นผู้ถูกถีนมิทะนั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นทีนมิท่าจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนำออกอวิชเปะเป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออกด้วยอวิชเปะนั้นอุทัจจะเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนาออก และบุคคลย่อมไม่รู้จักอวิเศปะที่เป็นธรรมเครื่องนําออกของพระอริยะเพราะเป็นผู้ถูกอุทจฉานั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นอุทจฉาจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกธรรมววัฏฐานเป็นธรรมเครื่องนําออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออกด้วยธรรมววัฏฐานนั้นวิจิกิจฉาเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลย่อมไม่รู้จักธรรมวัถานที่เป็นธรรมเครื่องนําออกของพระอริยะเพราะเป็นผู้ถูกวิจิกิจฉานั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นวิจิกิจฉาจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกญาณเป็นธรรมเครื่องนําออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออกด้วยญาณนั้นอวิชชาเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลย่อมไม่รู้จักยานที่เป็นธรรมเครื่องนําออกของพระอริยะเพราะเป็นผู้ถูกอวิชานั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นอวิชชาจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกปามุจะเป็นธรรมเครื่องนําออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออกด้วยปามุจะนั้นอรติเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกและบุคคลย่อมไม่รู้จักปาโมจะ ที่เป็นธรรมเครื er ambition, ่องนําออกของพระอริยะเพราะเป็นผ yeah, okay. ู Danke, ้ถูกอรตินั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นอารติจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกกุศลธรรมแม้ทั้งปวงเป็นธรรมเครื่องนําออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออกด้วยกุศลธรรมเหล่านั้นอากุศลธรรมแม้ทั้งปวงเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลย่อมไม่รู้จักกุศลธรรมที่เป็นธรรมเครื่องนําออกของพระอริยะเพราะเป็นผู้ถูกอกุศลธรรมเหล่านั้นกั้นไว้เพราะเหตุนั้นอกุศลธรรมแม้ทั้งปวงจึงชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกเมื่อพระโยคาวจรผู้มีจิตหมดจดจากนิวรเหล่านี้เจริญสมาธิที่ประกอบด้วยอานาปานสติอันมีวัตถุสิบความที่จิตตั้งมั่นเป็นไปเพียงชั่วขณะ ย่อมมีได้โซรสญาณา น, นิเทศที่สองจบสามอุปกิเลสายาณานิเทศแสดงญาณในอุปกิเลสปฐมมชักกะหมวดหกที่หนึ่งอุปกิเลสสิบแปดเหล่านหน ย, ย่อมเกิดขึ้นคือเมื่อพระโยคาวจรใช้สติไปตามลมหายใจเข้าที่ฐานเบื้องต้นท่ากลางและที่สุด จิตที่ถึงความฟุ้งซ่านในภายในย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิเมื่อพระโยคาวจรใช้สติไปตามลมหายใจออกที่ฐานเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจิตที่ถึงความฟุ้งซ่านในภายนอกย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิความเป็นไปแห่งตันหาคือความติดใจหวังลมหายใจเข้าย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ ความเป็นไปแห่งตันหาคือความติดใจหวังลมหายใจออกย่อมเป็นอัตนตรายต่อสมาธิความหลงเนือการได้ลมหายใจออกของพระโยคาวจรผู้ถูกลมหายใจเข้าครอบงำย่อมเป็นอัตนตรายต่อสมาธิความหลงเนือการได้ลมหายใจเข้าของพระโยคาวจรผู้ถูกลมหายใจออกครอบงำย่อมเป็นอัตนตรายต่อสมาธิสติ ไปตามลมหายใจเข้าหนึ่งสติไปตามลมหายใจออกหนึ่งความหวังลมหายใจเข้าที่ฟุ้งซ่านภายในหนึ่งความหวังลมหายใจออกที่ฟุ้งซ่านภายนอกหนึ่งความหลงในการได้ลมหายใจออกของพระโยคาวจรผู้ถูกลมหายใจเข้าครอบงำหนึ่งความหลงในการได้ลมหายใจเข้าของพระโยคาวจรผู้ถูกลมหายใจออกครอบงำหนึ่ง ปกิเลสหกประการนี้เป็นอันตรายต่อสมาธิที่ประกอบด้วยอนาปานาสติและเป็นเหตุให้จิตของพระโยคาวจรผู้หวั่นไหวไม่หลุดพ้นพระโยคาวจรทั้งหลายยังไม่เข้าใจวิโมกจึงสมควรเชื่อบุคคลอื่นเช่นนี้แหละทุติยฉักกะหมวดหที่สองเมื่อพระโยคาวจรคำนึงถึงนิมิต จ, จิตขวัดแวงอยู่ที่ลมหายใจเข้า นี้เป็นอันตรายต่อสมาธิเ an มื่อพระโยคาวจรคำหนึงถึงลมหายใจเข้าจิตขวัดแขว่องอยู่ที่นิมิตนี้เป็นอันตรายต่อสมาธิเมื่อพระโยคาวจรคำหนึงถึงนิมิตจิตขวัดแขว่งอยู่ที่ลมหายใจออก น, ออ น, นี้เป็นอันตรายต่อสมาธิเมื่อพระโยคาวจรคำหนึงถึงลมหายใจออกจิตขวัดแขว่งอยู่ที่นิมิตนี้เป็นอันตรายต่อสมาธิ เมื <tal Clerk |nospeech|> ่อพระโยคาวจร์คำนึง <tal> ถึงลมหายใจเข้าจิตกัดแกงอยู่ที่ลมหายใจออกนี้เป็นอันตรายต่อสมาธิเมื่อพระโยคาวจร์คำนึงถึงลมหายใจออกจิตขกัดแกงอยู่ที่ลมหายใจเข้านี้เป็นอันตรายต่อสมาธิเมื่อคำนึงถึงนิมิตจิตกัดแกงอยู่ที่ลมหายใจเข้าเมื่อคำนึงถึงลมหายใจเข้าจิตกัดแกงอยู่ที่นิมิตเมื่อคำนึงถึงนิมิต จิตควักแกว่งอยู่ที่ลมหายใจออกเมื่อคํานึงถึงลมหายใจออกจิตควักแกว่งอยู่ที่นิมิตเมื่อคํานึงถึงลมหายใจเข้าจิตควักแกว่งอยู่ที่ลมหายใจออกเมื่อคํานึงถึงลมหายใจออกจิตควักแกว่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าอุปสกิเลหกประการนี้เป็นอันตรายต่อสมาธิที่ประกอบด้วยอานาปานสติ และเป็นเหตุให้จิตของพระโยคาวจรผู้หวั่นไหวไม่หลุดพ้นพระโยคาวจรทั้งหลายยังไม่เข้าใจวิโมกจึงสมควรเชื่อบุคคลอื่นเช่นนี้แลตติยะชักกะหมวดหกที่สามจิต ท, ที่แล่นไปในอติตารมตกไปข้างฝ่ายฟุ้งซ่านย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิจิต ท, ที่หวางอนาคตารมถึงความกวัดแกง ย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิจิต <Hollywood. S 2> ที่โหดขู่ตกไปข้างฝ่ายเกียรครันย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิจิตที่มีความเพียนกล้าตกไปข้างฝ่ายอุทจจะย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิจิตที่น้อมรับตกไปข้างฝ่ายกาหนัดย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิจิตที่ผละออกตกไปข้างฝ่ายพยาบาทย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ จิตที่แล่นไปตามอตีตารมจิตที่วางอนาคตารมจิตที่โหดขู่จิตที่มีความเพียงกล้าจิตที่น้อมรับจิตที่ผระออกย่อมไม่ตั้งมั่นอุปกิเลสหกประการนี้เป็นอันตรายต่อสมาธิที่ประกอบด้วยอาณาปานาสติเป็นเหตุให้บุคคลผู้มีความดำริเศร้าหมองไม่รู้ชัดซึ่งอธิจิตชนี้แหล เมื่อพระโยคาวจรใช้สติไปตามลมหายใจเข้าที่ฐานเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดกายและจิตย่อมกระสับกระสายวันไหวและดิ้นรนเพราะจิตถึงความฟุ้งซ่านในภายในเมื่อพระโยคาวจรใช้สติไปตามลมหายใจออกที่ฐานเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดกายและจิตย่อมกระสับกระสายวันไหวและดิ้นรนเพราะจิตถึงความฟุ้งซ่านในภายนอก กายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดิ้นรนเพราะความเป็นไปแห่งตันหาคือความติดใจหวังลมหายใจเข้ากายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดิ้นรนเพราะความเป็นไปแห่งตันหาคือความติดใจหวังลมหายใจออกกายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดิ้นรนเพราะพระโยคาวจรผู้ถูกลมหายใจเข้าครอบงำ เป็นผู้หลงในการได้ลมหายใจออกกายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดิ้นรนเพราะพระโยคาวจรผู้ถูกลมหายใจออกครอบงำเป็นผู้หลงในการได้ลมหายใจเข้ากายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดิ้นรนเพราะพระโยคาวจรผู้คำนึงถึงนิมิตมีจิตขัดแกวงอยู่ที่ลมหายใจเข้า กายและจิตย่อมกระสับกระสายหวันไหวและดิ้นรนเพราะพระโยคาวจรผู้คํานึงถึงลมหายใจเข้ามีจิตขวัดแกว่งอยู่ที่นิมิตกายและจิตย่อมกระสับกระสายหวันไหวและดิ้นรนเพราะพระโยคาวจรผู้คํานึงถึงนิมิตมีจิตหวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจออกกายและจิตย่อมกระสับกระสายหวันไหวและดิ้นรน เพราะ hm พระโยคาวจรผู้คำนึงถึงลมหายใจออกมีจิตหวัดแขวงอยู่ที่นิมิตกายและจิตย่อมกระสับกระสายวันไหวและดิ้นรนเพราะพระโยคาวจรผู้คำนึงถึงลมหายใจเข้ามีจิตหวัดแขวงอยู่ที่ลมหายใจออกกายและจิตย่อมกระสับกระสายวันไหวและดิ้นรนเพราะพระโยคาวจรผู้คำนึงถึงลมหายใจออก มีจิตหวัดแกว่งอยู่ที่รวมหายใจเข้ากายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดิ้นรนเพราะจิตเล่นไปตามอติตารมตกไปข้างฝ่ายฟุ้งซ่านกายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดิ้นรนเพราะจิตหวังอนาคตารม์ถึงความกวัดแกว่งกายและจิตย่อมกระสับกระสายวันไหวและดิ้นรนเพราะจิตหดหู่ตกไปข้างฝ่ายเกลียคร้าน กายและจิตย่อมประสับประสายวันไหวและดิ้นรนเพราะจิตมีความเพียรกล้าตกไปข้างฝ่ายอุทจจะกายและจิตย่อมประสับประสายหวันไหวและดิ้นรนเพราะจิตน้อมรับตกไปข้างฝ่ายสํำนักกายและจิตย่อมประสับประสายหวันไหวและดิ้นรนเพราะจิตผละออกตกไปข้างฝ่ายพยาบาทผู้ใดไม่บำเพ็ญไม่เจริญอานาปานสติ กายและจิตของผู้นั้นย่อมหวันไหวกายและจิตของผู้นั้นย่อมดิ้นรนส่วนผู้ใดบำเพ็ญเจริญอาณาปานาสติดีแล้วกายและจิตของผู้นั้นย่อมไม่หวันไหวกายและจิตของผู้นั้นย่อมไม่ดิ้นรนชะนี้แหละอันหนึ่งเมื่อพระโยคาวจรผู้มีฉิตหมดจดจากนิวรณ์เหล่านั้นเจริญสมาธิที่ประกอบด้วยอาณาปานาสติอันมีวัตถุ16 ความที่จิตตั้งมั่นเป็นไปเพียงชั่วขณะย่อมมีได้อุปกิเลส18ประการนี้ย่อมเกิดขึ้นอุปกิเลสญาณ า, านิเทศที่สามจบสโวโธานญาณ า, านิเทศ แสดงยาในโวทานยาในโวทานสิบสาประการอะไรบ้างคือหนึ่งจิตที่แล่นไปตามอตีตารมตกไปข้างฝ่ายฟุง้งซ่านพระโยคาวจรละจิตนั้นแล้วตั้งจิตไว้มั่นในฐานหนึ่งสองจิตย่อไม่ถึงความฟุง้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้สจิตที่หวังอนาคตารมถึงความกวัดแกว่งพระโยคาวจรเว้นจิตนั้นแล้ว น้อมจิตไปในฐานะนั้นสี่จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้ห้าจิตที่หดหู่ตกไปข้างฝ่ายเกียรคร้านพระโยคาวจรยกจิตนั้นไว้แล้วละความเกียร์คร้านหจิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้เจ็ดจิตที่มีความเพียงกล้าตกไปข้างฝ่ายอุทจักพระโยคาวจรข่มจิตนั้น แล้วละอุทจจะ8จิตย่อไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้ 9. จิตน้อมรับตกไปข้างฝ่ายกาำนัดพระโยคาวจรรู้ทันจิตนั้นแล้วละความกำนัดสิจิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้สิบอจิตละออกตกไปข้างฝ่ายพยาบาทพระโยคาวจ ร, รู้ทันจิตนั้นแล้วละพยาบาท สิบสองจิตย่ไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้ 13. จิตบริสุทธิ์ผุดผ่องถึงสภาวะเดียวด้วยฐานะหประการนี้ธรรมที่มีสภาวะเดียวเหล่านั้นเป็นอย่างไรคือความปรากฏแห่งการบริจาคทานเป็นสภาวะเดียวความปรากฏแห่งสมถานิมิตเป็นสภาวะเดียวความปรากฏแห่งลักษณะความเสื่อมเป็นสภาวะเดียว ความปรากฏแห่งความดับเป็นสภาวะเดียวความปรากฏแห่งการบริจาคทานของบุคคลผู้น้อมใจไปในจาคะทั้งหลายเป็นสภาวะเดียวความปรากฏแห่งสมถานิมิตของบุคคลผู้ประกอบในอธิจิตทั้งหลายเป็นสภาวะเดียวความปรากฏแห่งลักษณะความเสื่อมของบุคคลผู้เจริญวิปัสนาทั้งหลายเป็นสภาวะเดียวความปรากฏแห่งความดับของพระอริยบุคคลทั้งหลาย เป็นสภาวะเดียวจิต ท, ที่ถึงสภาวะเดียวด้วยฐานะสี่นี้ย่อมเป็นจิต ท, ที่มีปฏิปทาหมดจดผ่องใสเจริญ ง, งอกงามด้วยอุเบกขาและถึงความร่าเริงด้วยยานอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌานอะไรเป็นถ้ำกลางแห่งปฐมฌานอะไรเป็นที่สุดแห่งปฐมฌานเพื่อความหมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌาน ความเพิ่มพูนอุเบกขาเป็นถ้ำกลางแห่งปฐมฌานความร่าเริงเป็นที่สุดแห่งปฐมฌานความหมดจดแห่งปฏิปทาที่เป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌานมีลักษณะเท่าไรคือมีลักษณะสามประการได้แก่หนึ่งจิตหมดจดจากอันตรายแห่งฌานนั้นสองจิตดำเนินไปสู่สมถานิมิตอันเป็น่้ำกลางเพราะเป็นจิตหมดจอดสาม จิตเล่นไปในสมถานิมิตนั้นเพราะเป็นจิตดำเนินไปแล้วจิตหมดจดจากอันตรายหนึ่งจิตดำเนินไปสู่สมถานิมิตอันเป็นถ้ำกลางเพราะเป็นจิตหมดจดหนึ่งจิตเล่นไปในสมถานิมิตนั้นเพราะเป็นจิตดำเนินไปแล้วหนึ่งความหมดจดแห่งปฏิปทาที่เป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌานมีลักษณะสามประการ น, นี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ปฐมฌานเป็นฌานมีความงามในเบื้องต้นและถึงพร้อมด้วยลักษณะความเพิ่มพูนอุเบกขาที่เป็น่ามกลางแห่งปฐมฌานมีลักษณะเท่าไรคพือมีลักษณะสามประการได้แก่หนึ่งเพ่งเฉยจิตที่หมดจดสองเพ่งเฉยจิตที่ดำเนินไปในสมถะสเพ่งเฉยความปรากฏในสภาวะเดียวความเพิ่มพูนอุเบกขาที่เป็น่าำกลางแห่งปฐมฌาน เพ่งเฉยจิตที่หมดจดหนึ่งเพ่งเฉยจิตที่ดำเนินไปในสมาถะหนึ่งเพ่งเฉยความปรากฏในสภาวะเดียวหนึ่งความเพิ่มพูนอุเบขาที่เป็น่้ำกลางแห่งปฐมฌานมีลักษณะสามประการนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปฐมฌานเป็นฌานมีความงามใน่้ำกลางและถึงความพร้อมด้วยลักษณะความร่าเริงที่เป็นที่สุดแห่งปฐมฌานมีลักษณะเท่าไหร คือมีลักษณะสี่ประการได้แก่หนึ่งความร่าเริงเพราะมีความหมายว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดในปฐมฌานนั้นไม่ล่วงเลยกันสความร่าเริงเพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรถเป็นอย่างเดียวกันสความร่าเริงเพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมนั้นเข้าไปสความร่าเริงเพราะมีความหมายว่า ปฏิบัติหนึ่งเนืองความร่าเริงที่เป็นที่สุดแห่งปฐมฌานมีลักษณะสประการนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปฐมฌานมีความงามในที่สุดและถึงพร้อมด้วยลักษณะจิตที่ถึงความเป็นไปสามประการมีความงามสามประการถึงพร้อมด้วยลักษณะสิประการอย่างนี้ย่อมเป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยวิตกวิจารปิติสุขการอธิษฐานจิต ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและถึงพร้อมด้วยปัญญาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งทุติยะฌานอะไรเป็น่้ำกลางแห่งทุติยะฌานอะไรเป็นที่สุดแห่งทุติยะฌานคือความหมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบื้องต้นแห่งทุติยะฌานความเพิ่มพูนอุเบกขาเป็น่้มกลางแห่งทุติยะฌานความร่าเริงเป็นที่สุดแห่งทุติยชฌาน จิต ท, ที่ถึงความเป็นไปสามประการมีความงามสามประการถึงพร้อมด้วยลักษณะสิบประการอย่างนี้ย่อมเป็นจิต ท, ที่ถึงพร้อมด้วยปีติสุขการอธิษฐานจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิและถึงพร้อมด้วยปัญญาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งตติยฌานอะไรเป็นท้ำกลางแห่งตติยฌานอะไรเป็นที่สุดแห่งตติยฌาน จิตที่ถึงความเป็นไปสามประการมีความงามสามประการถึงพร้อมด้วยลักษณะสิทธิประการอย่างนี้ย่อมเป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยสุขการอธิฐานจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิและถึงพร้อมด้วยปัญญาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งเจตุทชัชฌานอะไรเป็นทถ้ำกลางแห่งเจตุทชัชฌานอะไรเป็นที่สุดแห่งเจตุทชัชฌาน จิตที่ถึงความเป็นไปสามประการมีความงามสามประการถึงพร้อมด้วยลักษณะสิทธิประการอย่างนี้ย่อมเป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยอุเบกขาการอธิษฐานจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิและถึงพร้อมด้วยปัญญาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอากาสานัญญาตนะสมาบัติอะไรเป็นท่้ำกลางแห่งอากาสานัญญาตนะสมาบัติ อะไรเป็นที่สุดแห่งอากาศานัญจ า, าตนะสมาบัติอะไรเป็ น, e าา เ, ปนเบื้องต้นแห่งวิญญาณัญจ า, าตนะสมาบัติอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอากิญจัญญาตนะสมาบัติอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งเนวสัญญาน า, นานสัญญ า, าตนะสมาบัติอะไรเป็นท่ามกลางแห่งเนวสัญญานาสัญญาตนะสมาบัติอะไรเป็นที่สุดแห่งเนวสัญญาณาสัญญาตนะสมาบัติ จิตที่ถึงความเป็นไปสามประการมีความงามสามประการถึงพร้อมด้วยลักษณะสิประการอย่างนี้ย่อมเป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยอุเบกขาการอธิษฐานจิตและถึงพร้อมด้วยปัญญาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอนิจจานุปัสสนาอะไรเป็นถ้ำกลางแห่งอนิจจานุปัสสนาอะไรเป็นที่สุดแห่งอนิจจานุปัสสนาจิตที่ถึงความเป็นไปสามประการ มีความงามสามประการถึงพร้อมด้วยลักษณะสิบประการอย่างนี้ย่อมเป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยวิตกวิจารปิติสุขการอธิษฐานจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิและถึงพร้อมด้วยปัญญาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งทุคขานุปัสนาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอนัตตานุปัสนาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งนิพพานุปัสนา อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งวิราคานนปัสสนาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งนิโรทานุปัสสนาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งขยานุปัสสนาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งวยานุปัสสนาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งวิปรินามุปัสสนาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอนิมิตตานุปัสสนาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอปัิหิตานุปัสสนาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งสุญญานุปัสสนา อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอธิปัญญาธรรมวิปัสนาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งยทถาภูตยานัทสนะอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอาทินวานุปัสนาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งปฏิสังขานุปัสนาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งวิวัตนานุปัสนาอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งโสดาปฏิมักอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งสกะทาคามิมักอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอนาคามิมัก อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอรหัตมักอะไรเป็นถ้ำกลางแห่งอรหัตมักอะไรเป็นที่สุดแห่งอรหัตมักความหมดจยดแห่งปฏิปทาที่เป็นเบื้องต้นแห่งอรหัตมักความเพิ่มพูนอุเบกขาที่เป็นถ้ำกลางแห่งอรหัตมักความร่าเริงที่เป็นที่สุดแห่งอรหัตมักความหมดจยดแห่งปฏิปทาที่เป็นเบื้องต้นแห่งอรหัตมัคมีลักษณะเท่าไหร่ คือมีลักษณะสามประการได้แก่หนึ่งจิตหมดจดจากอันตรายแห่งฌานนั้นสองจิตดำเนินไปสู่สมถะนิมิตอันเป็นท่ากลางเพราะเป็นจิตหมดจดสจิตแล่นไปในสมถะนิมิตนั้นเพราะเป็นจิตดำเนินไปแล้วจิตหมดจดจากอันตรายหนึ่งจิตดำเนินไปสู่สมถะนิมิตอันเป็นท่ากลางเพราะเป็นจิตหมดจดหนึ่ง จิตเล่นไปในสมถะนิมิตนั้นเพราะเป็นจิตดำเนินไปแล้วหนึ่งความหมดโจทย์แห่งปฏิปทาที่เป็นเบื้องต้นแห่งอรหัตมักมีลักษณะสามประการนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอารหัตมักเป็นธรรมมีความงามในเบื้องต้นและถึงพร้อมด้วยลักษณะความเพิ่มพูนอุเบขาที่เป็นถ้ำกลางแห่งอรหัตมักมีลักษณะเท่าไหร่คือมีลักษณะสามประการได้แก่ 1>, 1. เพ่งเฉยจิตที่หมดจดสองเพ่งเฉยจิตที่ดำเนินไปในสมถะสเพ่งเฉยความปรากฏในสภาวะเดียวความเพิ่มพูนอุเบคาที่เป็นทํากลางแห่งอรหัตมักเพ่งเฉยจิตที่หมดจดหนึ่ง 5. เพ่งเฉยจิตที่ดำเนินไปในสมถะหนึ่งเพ่งเฉยความปรากฏในสภาวะเดียวหนึ่งเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอรหัตมัก เป็นธรรมมีความงามในท้ำกลางและถึงพร้อมด้วยลักษณะความร่าเริงที่เป็นที่สุดแห่งอรหัตมรักมีลักษณะเท่าไรคือมีลักษณะสประการได้แก่ 1. ความร่าเริงเพราะมีความหมายว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดในอรหัตมรักนั้นไม่ล่วงเลยกัน 2. ความร่าเริงเพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน 3. ความร่าเริงเพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ทานั้นเข้าไปสความร่าเริงเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งเหนืองความร่าเริงที่เป็นที่สุดแห่งอรหัตตะมัคมีลักษณะสี่ประการนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอรหัตตะมัป็นธรรมมีความงามในที่สุดและถึงพร้อมด้วยลักษณะจิที่ถึงความเป็นไปสามประการ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 ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวเพราะรู้ทำสามประการจึงได้ภาวนาชนี้แหละทำสามประการนี้ไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวเป็นธรรมไม่ปรากฏจิตไม่ถึงความฟุ้งซ่านประธานปรากฏให้ประโยคสำเร็จและบรรลุผลวิเศษเป็นอย่างไรเพื่อเปรียบเหมือนต้นไม้ที่เขาวางไว้บนพื้นดินที่ราบเรียบ บุรุใช้เลื่อยตัดต้นไม้นั้นตั้งสติไว้ที่ฟันเลื่อยที่ถูกต้นไม้ไม่ได้ใส่ใจถึงฟันเลื่อยที่มาหรือที่ไปฟันเลื่อยที่มาหรือที่ไปจะไม่ปรากฏข้อหาไม่ได้ประธานปรากฏให้ประโยคสําเร็จและบรรลุผลวิเศษมิมิตที่ผูกจิตไว้เหมือนต้นไม้ที่เขาวางไว้บนพื้นดินที่ราบเรียบลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนฟันเลือ่อย พิสุนั่งตัางสติไว้มั่นที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากไม่ได้ใส่ใจถึงลมหายใจเข้าหายใจออกที่เข้ามาหรือออกไปลมหายใจเข้าหายใจออกที่เข้ามาหรือออกไปจะไม่ปรากฏก็หามิได้ประธานปรากฏให้ประโยคสําเร็จและบรรลุผลวิเศษเหมือนบุรุษนั่งตั้งสติไว้ที่ฟันเลื่อยที่ถูกต้นไม้ ไม่ได้ใ่ใจถึงฝันเลื่อยที่มาหรือที่ไปฝันเลื่อยที่มาหรือที่ไปจะไม่ปรากฏข้อหามิได้ประธานปรากฏให้ประโยคสำเร็จและบรรลุผลวิเศษฉะนั้นประธานเป็นอย่างไรคือกายและจิตของภิกษุผู้มีความเพียรย่อมควรแกาการงานนี้เป็นประธานประโยคเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้มีความเพียรย่อมละอุปกิเลตได้ วิตกย่อมสงบไปนี้เป็นประโยคผลวิเศษเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้มีความเพียรย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมถึงความพินาศไปนี้เป็นผลวิเศษทำสามประการนี้ย่อมไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวอย่างนี้และทำสามประการนี้จะไม่ปรากฏข้อหามิได้จิตไม่ถึงความฟุ้งซ่านประธานปรากฏ ให้ประโยคสำเร็จและบรรลุผลวิเศษบุคคลใดภาวนาอาณาปานาสติดีแล้วบริบูรณ์แล้วอบรมแล้วตามลำดับตามสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้บุคคลนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างไสวเหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอกฉะนั้นคำว่าอาณนะอธิบายว่าลมหายใจเข้าไม่ใช่ลมหายใจออก คำว่าอปาณะอธิบายว่าลมหายใจออกไม่ใช่ลมหายใจเข้าสติเข้าไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกผู้ใดหายใจเข้าสติย่อมปรากฏแก่ผู้นั้นผู้ใดหายใจออกสติย่อมปรากฏแก่ผู้นั้นคำว่าบริบูรณ์แล้วอธิบายว่าชื่อว่าบริบูรณ์แล้วเพราะมีความหมายว่าถือเอารอบ ชื่อว่าบริบูรณ์แล้วเพราะมีความหมายว่ารวมไว้ชื่อว่าบริบูรณ์แล้วเพราะมีความหมายว่าเต็มรอบแล้วคําว่าภาวนาดีแล้วอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกันสชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่า ิสีทั้งหลายมีรถเป็นอย่างเดียวกันสชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมนั้นเข้าไปสชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนืองเนืองความหมายแห่งภาวนาสี่ประการนี้เป็นอันภิสษุนั้นทาให้เป็นดุจยานทาให้เป็นที่ตั้งน้อมไปอบรมแล้วปรารบเสมอดีแล้ว คำว่าทําให้เป็นดุจยานอธิบายว่าภิกษุนั้นหวังในธรรมใดๆย่อมเป็นผู้ถึงความชำนาญมีกำลังถึงความกล้ากล้าในธรรมนั้นๆธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมที่เนื่องด้วยความคํานึงถึงเนื่องด้วยความหวังเนื่องด้วยมนัษการเนื่องด้วยจิตุบาทเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าทาให้เป็นดุจยานคาว่าทาให้เป็นที่ตั้ง อธิบายว่าจิตตั้งมั่นดีในวัตถุใดๆสติก็ปรากฏดีในวัตถุนั้นๆหรือสติปรากฏดีในวัตถุใดๆจิตก็ตั้งมั่นดีในวัตถุนั้นๆเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าทำให้เป็นที่ตั้งคาว่าน้อมไปอธิบายว่าจิตน้อมไปด้วยอาการใดๆสติก็หมุนไปตามคุมอยู่ด้วยอาการนั้นๆก็หรือว่า สติหมุนไปด้วยอาการใดๆจิตก็น้อมไปด้วยอาการนั้นๆเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าน้อมไปคำว่าอบรมแล้วอธิบายว่าชื่อ <això> ว <pragmatic words> <Ben> ่าอบรมแล้วเพราะมีความหมายว่าถือเอารอบชื่อว่าอบรมแล้วเพราะมีความหมายว่ารวมไว้ชื่อว่าอบรมแล้วเพราะมีความหมายว่าเต็มรอบภิกษุกาหนดถือเอาด้วยสติ ย่อมชนะบาปอกุโสณธรรมได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอบรมแล้วคําว่าปรารบเสมอดีแล้วอธิบายว่าภาวนาสี่อย่างพิษุปรารบเสมอดีแล้วคือหนึ่งปรารบเสมอดีแล้วเพราะมีความหมายว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกันสองปรารบเสมอดีแล้วเพราะมีความหมายว่า อินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันสามปรารภเสมอดีแล้วเพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมนั้นเข้าไปสี่ปรารภเสมอดีแล้วเพราะเพิกถอนกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกรีกธรรมนั้นคำว่าเสมอดีอธิบายว่าความเสมอก็มีความเสมอดีก็มีความเสมอเป็นอย่างไร เพื่อกุศลธรรมทั้งหลายอันไม่มีโทษเกิดในธรรมนั้นเป็นฝ่ายแห่งความตรัสรู้นี่ชื่อว่าความเสมอความเสมอดีเป็นอย่างไรคือความดับอารมณ์แห่งธรรมเหล่านั้นเป็นนิพพานนี้ชื่อว่าความเสมอดีก็ความเสมอและความเสมอดีแดงมีภิกษุนั้นรู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญา ความเพียรพิกษุนั้นปรารบแล้วไม่ย่อหย่อนสติตั้งมั่นไม่หลงลืมกายสงบไม่กระัากระชายจิตตั้งมั่นเป็นเอกคตารม์เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปรารบเสมอดีแล้วคําว่าอบรมแล้วตามลําดับอธิบายว่าพิสูจนั้นอบรมอาณาปานาสติข้อต้นๆด้วยอํานาจลมหายใจเข้ายาวก็ชื่อว่า อบรมอาณาปานสติข้อหลังๆตามลําดับอบรมอาณาปานสติข้อต้นๆด้วยอํานาจลมหายใจออกยาวก็ชื่อว่าอบรมอาณาปานสติข้อหลังๆตามลําดับอบรมอาณาปานสติข้อต้นๆด้วยอํานาจลมหายใจเข้าสั้นก็ชื่อว่าอบรมอาณาปานสติข้อหลังๆตามลําดับอบรมอาณาปานสติข้อต้นๆ ด้วยอำนาจลมหายใจเข้าสั้นก็ชื่อว่าอบรมอาณาปานสติข้อหลังๆตามลำดับอบรมอาณาปานสติข้อต้นๆด้วยอำนาจลมหายใจออกสั้นก็ชื่อว่าอบรมอาณาปานสติข้อหลังๆตามลำดับอบรมอานาปานสติข้อต้นๆด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าก็ชื่อว่า อบรมานาปานาสติข้อหลังๆตามลำดับอบรมานาปานาสติข้อต้นๆด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกก็ชื่อว่าอบรมานาปานาสติข้อหลังๆตามลำดับอานาปานาสติอันมีวัตถุสิบกแม้ทั้งปวงอาศัยกันพิกษุนนั้นอบรมแล้วและอบรมแล้วตามลำดับเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า อบรมแล้วตามลาดับคาว่าตามสภาวะอธิบายว่าตามสภาวะมีความหมายสิบอย่างคือหนึ่งตามสภาวะที่มีความหมายว่าฝึกตนสองตามสภาวะที่มีความหมายว่าสงบตนสตามสภาวะที่มีความหมายว่ายังตนให้ปรินิพานสตามสภาวะที่มีความหมายว่ารู้ยิ่งห ตามสภาวะที่มีความหมายว่ากําหนดรู้6ตามสภาวะที่มีความหมายว่าละ7ตามสภาวะที่มีความหมายว่าเจริญ8ตามสภาวะที่มีความหมายว่าทําให้แจ้งเตามสภาวะที่มีความหมายว่าตรัสรู้สัจจะสิตามสภาวะที่มีความหมายว่ายังตนให้ตั้งอยู่ในนิโรธ คำว่าพระพุทธเจ้าอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นพระสยามภูไม่มีครูอาจารย์ได้ตรัสรู้สัจจะในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนด้วยพระองค์เองทรงบรรลุความเป็นพระสัพพัญยูในสัจจะนั้นและถึงความเป็นผู้ทรงชำนาญในพระยานทั้งหลายคำว่าพระพุทธเจ้าอธิบายว่าชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะมีความหมายว่าอย่างไร เือชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้สัจจะทั้งหลายแล้วชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงทำโมสัตให้ตรัสรู้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นพระสัพพันยูชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงเป็นผู้เห็นธรรมท่องปวงชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีคนอื่นแนะนําชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้เบิกบาน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 ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระเสด็จถึงทางสายเอกชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณลำพังพระองค์เดียวชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้ขจัดความไม่รู้ได้แล้วพระทรงเป็นผู้ได้เฉพาะซึ่งความรู้คาว่าพระพุทธเจ้านี้มิใช่พระชนนีทรงตั้งมิใช่พระชนกทรงตั้งมิใช่พระพาดาทรงตั้ง มิใช่พระภคกตรีทรงตั้งมิใช่มิตรอมาตตั้งมิใช่พระญาตสาโลหิทรงตั้งมิใช่สมณะพราหมณ์ตั้งมิใช่เทวดาตั้งคำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นวิโมกขันติ ก, กนามเป็นสัจจกาบัญญัติของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นพร้อมกับการทรงได้เฉพาะซึ่งพระสัพพัญญุตยานที่คนต้นโพ ร, รวมความว่า พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นคําว่าทรงแสดงไว้อธิบายว่าตามสภาวะที่มีความหมายว่าฝึกตนชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไวตามสภาวะตามสภาวะที่มีความหมายว่าสงบตนชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไวตามสภาวะตามสภาวะที่มีความหมายว่ายังตนให้ป ร, รนิ น, พรนิพาน ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามสภาวะตามสภาวะที่มีความหมายว่ายัางตนให้ตั้งอยู่ในนิโรธชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามสภาวะคําว่าบุคคลนั้นอธิบายว่าผู้ที่เป็นครหัตหรือผู้ที่เป็นบรรปะชิดคาว่าโลกอธิบายว่าขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกวิปติภวะโลก วิปติสัมภวะโลกสัมปติภาวะโลกสัมปติวิภวะโลกโลกหนึ่งคือสัตว์โลกทั้งปวงดำรงอยู่ได้เพราะอาหารโลกสิบแปดคือท่าสิบแปดคำว่าให้สว่างสวยัยอธิบายว่าบุคคลนั้นทำโลกนี้ให้สว่างสวยัยแจ่มแจ้งเพราะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะนามสภาวะที่มีความหมายว่าฝึกตน ทำโลกนี้ให้สว่างสวัยแจ่มแจ้งเพราะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะตามสภาวะที่มีความหมายว่าสงบตนททำโลกนี้ให้สว่างสวัยแจ่มแจ้งเพราะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะตามสภาวะที่มีความหมายว่ายังตนให้บริณิพานทำโลกนี้ให้สว่างสวัยแจ่มแจ้งเพราะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะตามสภาวะที่มีความหมายว่ายังตนให้ตั้งอยู่ในนิโรธ คำว่าเหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอกอธิบายว่ากิเลสเหมือนหมอกอริยญาณเหมือนดวงจันทร์ภิกษุเหมือนจันทิมะเทพบุตรภิกษุพ้พนจากกิเลสทั้งปวงแล้วทําโลกนี้ให้สว่างไสวเปล่งปลั่งและรุ่งเรืองเหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอกพ้นจากควันและทุลีพ้นจากฝ่ามือราหูทําโอกาสโลกให้สว่างไสว เปล่งปลั่งและรุ่งเรืองฉะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอกยานในโวทานสิบสามประการนี้โวทานญยาณ น, นิเทศที่สี่จบพาณวาระจบ